ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีหัวข้อรู้กายตอนรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆพุทธพ์ทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคูเข้าในการเหยียดออกในการใส่เครื่องนุ่งหม่มในการฉัน การดื่มในการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นในการพูดการนิ่งข้อความจากมหาสติปฐานสูตรกายานุปัสนาสัมปชัญญะปปภะลงมือปฏิบัติแต่อ้อนแต่ออก เราจะยึดกายอยู่ด้วยความเชื่อว่ากายนี้เป็นเราแน่ๆของเราแน่ๆต่อเมื่อมาฝึกเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจและอิริยาบทจึงค่อยคลายความเชื่อนั้นลงและมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สักอย่างพอฝึกมีสติอยู่กับกายผ่านอุรยาบทต่างๆได้อย่างถูกต้องกระทั่งร่างกายปรากฏ ด, ดุดหุนกล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 เมื่อเริ่มต้นฝึกรู้ความเคลื่อนไหวปลีกย่อยทั้งหลายของกายนั้นนักจเจริญสติส่วนใหญ่จะกำหนดเพ่งเล็งไปยังอวัยวะที่กำลังเคลื่อนไหวเช่นเมื่อยื่นมือไปหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่ม <c oughs> ก็จะตั้งสติอย่างเจาะจงลงไปที่มือหรือแขนจิตจึงรับรู้ได้เพียงในขอบเขตแคบๆ แ, แ, แค่มือหรือแขน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 แขนไม่ใช่เราใจที่มีอาการเพ่งยึดอยู่ก็บอกตัวเองว่าใช่อยู่ดีแต่หากฝึกมาตามขั้นตอนก็จะไม่พลาดกล่าวคือมีอิริยาบถเป็นหลักตั้งเสียก่อนจากนั้นจึงค่อยรู้ต่อไปว่าภายในอิริยาบถนั้นๆมีอวัยวะใดเคลื่อนไหวเช่นเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่ง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 เพราะเราจะพูดหรือฟังทั้งรู้ว่ากำลังนั่งหรือยืนและนั่นจะนำไปสู่การรู้สึกถึงความต่างระหว่างพูดกับหยุดพูดระหว่างนิ่งรับฟังอย่างเดียวกับนิ่งแบบอยากพูดต่อเป็นต้นการฝึกทําความรู้สึกตัวที่ได้ผลจะเหมือนกายใจเริ่มแบ่งแยกจัด ก, กันตัวหนึ่ง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 พร้อมกับการเจริญสติขั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่จำกัดแล้ว